นุมโมทนานะนุมโมทนาโภชนะอาหารกระไดรับการสนับสนุนทางโภชนะอาหารจากศรัทธาญาติโยมนี่แหละแต่พวกเราก็ยืนอยู่ในโอกาสเวลาอันเดียวกันนะ่ะคือพอที่จะรู้ทำเห็นทำ ปล่อยตัวเองทิ้งนะเข้าใจไหม <c oughs> คำว่ า, าศาสนาเนี่เป็นของเจอยากที่สุดเป็นของดีที่เจอยากที่สุดเจอแล้วต้องเอาดีให้ได้เจอยากขนาดไหนรู้ไหม อยากจะบอกว่าเป็นกับเป็นกันเลยถึงเจอครั้งหนึ่งนะหรือว่าร้ายกับร้ายกันด้วยนะเฉพาะผู้บำเพ็ญตนที่จะมาสร้างาศาสนานี้ก็ใช้เวลานับเป็นเวลาของเมืองมนุษย์ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นของดีดีมาก ของฟรีที่มีคุณค่ามากที่สุดก็คือศาสนาเนี่ยแหละไม่ได้จ้างสักบาทสักสลึงเลยนะแต่พวกเราก็ทำการเบื่อหน่ายในการที่จะศึกษาสดับรับฟังประพฤติปฏิบัติ เรามองข้ามาศาสนามองข้ามใจตัวเองจะไปเอาอีกสิ่งหนึ่งสิ่งที่เราจะไปเอานั่นคือสิ่งที่เราจะไม่ได้เข้าใจไหมเนี่ยสิ่งที่เอาไปได้ไม่ยอมทำจะไปเอาตั้งแต่สิ่งที่เอาไปไม่ได้นี่มันเกิดเรื่มันเกิดอะไรขึ้น เราสงสารพวกคุณมากเพราะอะไรเพราะความไม่รู้สงสารมากนะเราที่งพาชธาญาจยมมาภาวนานี่คืออะไรเขาเลี้ยงดูเราด้วยโภชนะอาหารทุกเชา้า จะมาให้เขารับเฉพาะอายุบรรนูสุขขังพลังนี้ไม่ใช่ลรมกักงมันก็มนุษย์เหมือนกันยืนอยู่โอกาสเที่ยวเดียวกันธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งรูปธรรมเสียงธรรมกลิ่นธรรมกึกก้องอยู่ทั่วโลกจะมาปล่อยกันทิ้งไม่ได้หรมั่งก็เลยมาชวนศรัทธาญาติโยมภาวนา ที่ว่าโดยอาตมานี้พัฒนาภาวนาขึ้นเยอะนะโดยเฉพาะเดือนสิงหาเนี่ยจะทำการบวชชีสองเดือนถวายเป็นพระราช ก, กุศลนะเออบวชพระก็บวชแล้วทีนี้จะบวชชีเพื่อปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราช ก, กุศลสมเด็จ พนางเจ้าพระราชินีพันปีหลวงด้วยนะหนึ่งร้อยพันษาของสมเด็จสังฆราชด้วยสิ่งไหนที่จะเป็นบุญก็ทำไปเอารับพ้อนก่อนนะโชคดี ยะดาบริวะหาปุระบริปุริติสักะรังเยวะเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกะปติ ยิช so so so ิตังปะิตังตูมหังคิดปามิมสมาชิตตสัพเพปุเรนตูสังกปะจันโทปนารโสยตามาณโชติอรโสยตาสัพเพติโยมิมพาโร เวนัสสัตมะเตปะวะวันจารายสุขีจายุโกภะวะอภิวันทานาสิเิสเนตังบุตตา ท่าทารอดมามาธานติ ยาสิทธิธาลาภสุทีภกัญสุขังเสรอะโยจบนจัปโกังบุตจยสมาสตมัสสะจญ กันโตสัพเพเทวตาสัพพธะเวนสัทธาโสติปวันตุเจภะวะตุสัพพังฆะละโกราคันโตสัพเพเทวตา วัตุสัปปะมางการองรักขันตุสัปปะเทวตาสัปปะสังขานุทาเวนัสตาโส